สิกขาบทที่สิบิิษุณีอยู่จำพรรษาแล้วไม่หลีกจาริกไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตติตัวตะวัตที่สี่จบ